อาตมาภาพเองเมื่อกี้ได้คุยกับพระอาจารย์ปราโมทปราโมทโชท่านอุปสมบทปีพุทธศักราช 2,544 อาตมาภาพสมเร็จกาเดินธรรมก้าระโยคปี 2,543 พอมาถึงหลวงพ่อท่านจะกราบอตาตมาอาตมาบอกโ oh, อไม่ได้ไม่ได้อตาตมาก็แค่พระเด็กๆ็กรูปหนึ่งเท่า น, นั้นเองที่ที่ถือตัวว่าเป็นลูกศิษย์ท่านด้วยเพราะอาตมาภาพเองก็ฟัง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 วันนี้ตรมภาพต้องข อ, อนโนบทนาทุกท่านทุกคนตั้งแต่พระเด็พระคุณหลวงพ่อปราโมทปราโมชโชว์เป็นต้นลงมาที่ได้เมตตาต่ออรตมภาพสถาบันวิมุตติยาลายัยและพุทธบริษัทด้านโยมสาสเดินทางมาจากจังหวัดชลบุรีนะับว่าเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งต่อสถาบันวิมุตติยาลัยของเราพร้อมกันนั้นธมภาพกข อ, อนบุทนาสาธุการทุกท่านทุกคนนะที่เรามีความตั้งิตตั้งใจ มากันตั้งแต่สามโมงเช้าสี่โมงเช้าบางคนก็ไม่รู้ว่ามาที่นี่แล้วจะได้ทานข้าเที่ยงไหมแต่เพื่อธรรมะเราก็มาฉะนั้นบัด น, นี้ธรรมาคิดว่าได้เวลาเป็นสี่โมงคลยิ่งแล้วก็ขอเปิดการเสวนาครั้งที่สและขอกราบอารัธนาพระอาจารย์หลวงพ่อปราโมทย์ปราโมชเป็นองค์บรรดาตั้งแต่บัด น, นี้ขอกราบอารัธนากรับพระอาจารย์บอสชิระเมทีแก็บูโสดเจริญพร ญาติยโยงทั้งหลายท่านไม่ฉี่สันสนีคุณหญิงละมุนศรีนะคุณหญิงละมุนศรีก็บหงพ่อมีนัดกันวันที่ยี่สิบแปดจับได้ยี่แปดเดือนนี้แหละทีแรก อ, อ 25, 25. 25. ๋อยี่สิบห้ายี่ิบห้ายี่สิบห้าทีแรกคุณหญิงมานิมนต์นก่อนท่านอาจารย์วอนี้อีกหลวงพ่อบอกท่านบอกว่าหลวงพ่อตั้งใจไว้นะว่าออกพรรษาแล้วถึงจะรับนิมนต์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 เพราะโมหะมันครอบโลกความหลงนั่นแหละมันครอบโลกเดี๋ยววันนี้ท่านอาจารย์ ท, รยท่านมาเกณฑ์หงพ่อพูดเรื่องโมหะกิเลสอะไรนะแมนเจเมนเรื่องความหลงแต่ว่าพูดตรงๆนะในนินทาง น, นิดเถอะหลวงพ่อไม่เคยเห็นใครจัดการกิเลสได้เลยนะมีแต่ตัว ก, กิเลสจัดการทําไมเราสู้กิเลสไม่ไหว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 หลวงพ่อเลยเอานังสือมาให้200อยเล่มถ้ารู้ว่ามาสองพันเราก็สู้นะ <c oughs> ไม่บอกนี่ว่ามีเยอะนะได้ยินว่ามี200ร้อเอานักสือมาให้200อริยสัจเป็นธรรมะที่สําคัญที่สุดหรวพ่อท่าเจ้าถึงขนาดบอกว่าถ้าไม่รู้แจ้งอริยสัจยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดถ้ารู้แจ้งอริยสัจแล้วไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกละ่ะ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 ตัวทุกข์ที่แท้จริงนะคือรูปกับนามคือกายกับใจเรานี้พหานยากที่สุดเลยนะที่เราจะเห็นตัวนี้ได้พวกเรายังยังเห็นไม่ได้นะต้องภาวนาต้องสู้ตายจริงๆนะนิพพานอยู่ฝากตายจริงๆเมื่อก่อนหลวงพ่อก็นึกว่าเรารู้อริยสัจนะสมัยเป็นนักเรียนหลักสูตรของกระทรวงศึกษามีได้แต่ชั้นตถมนะมีวิชาศิลธรรมจตวเ น, นี้ยสอนเรื่องอริยสัจ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 ฟังเราก็ยากใช่ไหมมีตัอ้งองค์8ทําำยังไงจะทําได้นะในความเป็นจริงนั้นถ้าทําเป็นเนี่ยอริยามรรคจะเกิดขึ้นในหนึ่งขณะจิตนะเกิดขึ้นในขณะเดียวกันเลยแตัวเนี่ยนะไม่ได้เกิดทีละตัวนะถ้าเกิดทีละตัวเรียกว่ามรรคมากเพราะฉะนั้นมรรคจริงๆมีหนึ่งเท่านั้นเองแต่ที่มี8นั้นมีองค์ประกอบ8ประการเนะนี่ยต้องค่อยๆฟังนะฟังแล้วเหมือนจะยากจริงๆไม่ยากหรอกนะขั้นแรกสุดเลย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 ถึงวันหนึ่งนะสติจะเกิดเดงมีคนไปเรียนกับหลวงพ่อนะมีอยู่คนหนึ่งไปเรียนทั้งสิบครั้งไม่รู้เรื่องเลยเพราะคนนี้เป็นนักคิดคิดเก่งคิดวิเคราะห์วิจัยวิจารณวิพากษ์นะสุดท้ายเลยวิปะลาะสนะคืองงไปหมดแล้วไม่รู้เรื่องล้นะคิดมากไปวันหนึ่งแกท้อแท้ทอดอะไรมาที่วัดหลวงพ่อครั้งที่สนะิบแล้วไปจุ่มปุ๊กอยู่ท้ายห้องนะโตเรามวนโง่เรียนไม่ได้เรื่องเลยแกได้ยินเสียงลมพัดระครัง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 ไม่ได้เจตนาจะมาฟังทำหรอกลูกเนยะอยากมาฟังเพราะฉั้นเวลาลูกมานั่งฟังนะลูกเครียดมากเลยแต่ตัวพ่อไม่เครียดนะพ่อพ่อไม่ได้ตั้งใจฟังฟังไปฟังไปนะพ่อบวชวายขึ้นมาโอ้ผมเห็นนละ้จิตผมวิ่งไปที่พระพุทธรูปเ mm. นี่ยเห็นจิตมันวิ่งไปที่พระพุทธรูปได้คนทั่วทั่วไปที่เรียกว่าหลงหลงนะ่ะจิตมันหนีไปจิตมันหลงไปจิตมันลืมตัวมันลืมกายลืมใจมไม่ได้เริ่มกายลืมใจเมื่นั้นเรียกว่าขาดสตินะ ลงไปละวดังั้นถ้าเมื่อไห ร, ร่รู้กายรู้ใจได้เทศมีสติมีสติก็ไม่มีโมหะขาดสติก็มีโมหะดังนั้นเราต้องค่อยคอยหัดดูสภาวะไปเรื่อยๆนะสังเกตไหมฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยบางคนงงเช่นคนเนี้นะกําลังงงอะไรนะมีน้ํามันไปที่วัดหลวงพ่อแลไป น, นั่งนึกนะสอนอะไรวัดนี้สอนอะไรนะ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 เห็นเป็นเส้นนะเส้นต่อไปก็เป็นดวงเขายอได้ขยายได้อะไรอย่างนี้ไร้สาระที่สุดเลยนะเห็นผีเห็นเปรตเห็นโน่นเห็นนี่นะไม่เห็นอย่างเดียวคือกิเลสตัวเองเนี่ยกิเลสแมเน็เมนต์ไม่ได้มันไม่เห็นนะคอยรู้สึกนะรู้สึกไหมตอนที่หัวร้อนตะเคีย้ยใจหนีไปเกือบทั้งห้องเลยรู้สึกไหมลืมตัวเอง <c oughs> สังเกตไหมเราลืมตัวเองบ่อยๆ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 หายใจออกเอา้าวทุกคนหายใจออกแล้วอยากหายใจเข้าดูซิจะสุขหรือจะทุกข์เอาพอเดี๋ยวตายกันขาที่ที่นี่นะหนไหายใจเข้าอย่างเดียวก็ทุกข์อีก <c oughs> ใช่ไหมเนื้อร่างกายนี้นะถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเลยร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกทุกอิกริยาบถเลยถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นร่างกายเนี้เป็นแต่ตัวทุกข์ร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออก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 ที่เรียกว่านำรูปปริเฉทญาณไม่ใช่แค่ว enfin ่าหายใจออกกับหายใจเข้าคนละอันแล้วบอกนำรูปปริเฉทญาณนั่นไม่แยกรูปกับนามนะอย่างถ้าดูหายใจออกก็อันนึงหายใจเข้าอันนั่นแยกรูปกับรูปไม่ใช่แยกรูปกับนามแยกรูปกับนามในจิตเนี่ยต้องตั้งมั่นขึ้นมาตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเป็นผู้ตื่นขึ้นมาเงั้นที่ท่านอาจารย์ท่านพูดว่าให้ตื่นตื่นตัวนี้สําคัญมากนะงั้นเราต้องมีสองตัวนะมีสติแล้วก็มีใจที่ตั้งมั่นขึ้นมา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 จอดอยู่แล้วก็น้ําไหลผ่านข้างเรือไปเรือไม่ขวางน้ําน้ําก็ทําอะไรเรือไม่ได้ต่างคนต่างอยู่กันไปนะนีวเราค่อฝึกนะวันหนึ่งเราจะเข้ามาถึงสภาวะที่แสนจะสบายนะความจริงมีมากกว่านี้แต่หลวงพ่อเทศมากกว่านี้เฉลยญาติโยมจะทนไม่ไหวนะเพราปัญญานะมีเป็นขั้นขั้นไปมีเป็นลําดับลําดับไปนะพวกเราเคยได้ยินไหมในพระสูตรนะเคยบอกว่า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 ทันทีที่หลงไปสมมติว่าเห็นสาวเดินมาเห็นคุณสืบสักเห็นสาวเดินมาใจวิ่งจุดไปที่คราาสติระลึกปั๊บเลยราคาขาดสะั้นเลยนี่ราคาแมネจเมนต์เห็นศัตรูเดินมาหรือเห็นหมาบ้าวิ่งมากลัวกลัวสติระลึกปั๊บขาดปั๊บเลยนี่โทรศั์แมเนจเมนต์แล้วทำยังไงดีหมาบ้าวิ่งมาหลบนะชาวพุทธต้องฉลาดนะ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 ไม่ยึดถือตรงเนี้ยไม่ยึดถือตัวนี้ก็จะไม่ยึดถือตัวข้างนอกด้วยไม่ยึดถือข้างใน謝謝นี้ก็ไม่ยึดถือข้างนอกในสุดใจก็จะไม่กระเพิ่มกับขึ้นกับเพิ่มลงเพราะผัดสับทางตาหูจมูกลิ้นกาย <Yeah. S 1> เรียกว่ากรรมคุณอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถทําให้ใจเรากระเพิ่มขึ้นกับเพิ่มลงได้เพราะมีปัญญาเห็นความจริงเร <c oughs> าะว่ากายนี้เป็นตัวทุกข์เห็นไหมปัญญาอย่างนี้ปัญญาระดับนี้เรียกวารรร่วาปัญญาปานกลางเห็นไหมแค่ปานกลางก็ปางตายแล้วนะ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 ชอบไปนั่งเป็นทั่งนั่งนั่งนั่งนส่งแั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งหั่งพั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งมั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนังนัลงนั่งนั่งนั่งนั่งอั่งนั่งนั่งนั่อนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนีกงนั่เนั่งนต่งนัายนะ่งนั่ทนั่งนัใจไม่มี อ <c oughs> ตอนเนี้หลงแล้วรู้สึกไหมนี่แหละหัดรู้ตัวนี้แหละตัวโมหะลงแล้วนียหลงอีกแล้วรู้มไหมเจ้าค่ะเห็นไหมใจใจมันไหลไปมันจะงงไม่มีที่ก่ออ่ามันไหลไหลไหลเอาไงดีบ้นะ ค, ค, ค, คิดว่าจะพูดอะไรต่อให้รู้ทันให้รู้ทันว่าใจกําลังแขว่งเทีเ่ยวแสวงหาอยู่เจ้าค่า<น>ะะให้รู้<ต>ทันสังเกตไหมอยากพูดเมื่อกี้ความอยากพูดมันดันขึ้นมา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 หลวงพ่อทุกวันที่สอนง่ายนะอยันเยอะอ้าว่าไปสอนนั้นหลวงพ่อครับผมปฏิบัติมาก็เลยพักหนึ่งครับพอดีได้แต่ก่อนนี้ชอบวูครับอืมเดี๋ยนี่ก็ยังชอบเจ้าไปเห็นเห็นรู้นเห็นนี่ครับเห็นแสงโน้นแสงนี่ก็ได้เทียบหลวงพ่อมาจากทุ่มพี่เนี่ยครับก็ปฏิบัติมาก่อนเข้าวปนสามมาครับก็เลยได้ไปนั่งคุยกันว่าแต่ความชอบติดสมถามาก ผมก็เลยตัดขึ้นใจว่าหักดิบมาฮะก็เลยเดินยงกลมเด็กก็เดินไม่ถูกครั้งแรกครับไปยังไงไปมาก็เลยเป็นแล้วก็เป็นพ่อบอกว่าลองใจกล้าสักครั้งหนึ่งหนะเอาซื่อๆนะก็เลยลงไปเลยฮะซื่อๆเลยพิจารณาไปนะอมันเป็นอย่างนี้ก็คือให้รู้ว่าเราโกรธให้รู้ว่าโกรธให้รู้จักภาวะความโกรธเป็นยี้อนิเราทํางานทํางานอยู่งานไม่ทันใจเราเราโกรธ เโกรธแล้วใครโง่เราโง่โงเนี่ยเราโกรธนะครับโกรธให้รู้องให้รู้สภาวะนะไม่ต้อง บ, บันยายก็ได้รรจริงๆแล้วต่อไปมันจะไม่มีเราโกรธจะมีแต่ความโกรธมีแต่จิตมันโกรธแต่ไม่ใช่เราโกรธครั บ, รบแล้วตอนคืนผมก็ปฏิบัติก็คือเริ่มเข้าศึกษาอริสตสีอยู่ครับตอนนี้ทุกอย <c oses> ่างไงครับสมุทัยนี่ร้อนมากเลยนะก็ปฏิบัติอยู่ผมได้เปิดเว็บไซต์ของ ูุปุดุล น, นะครับพี่พ่อด้วยอย่างนั้นก็เลยเปิดประไตรปิฎกด้วยครับก็มาศึกษาดูว่ามีท่อนหนึ่งที่องค์สมเด็จสมภูมิเจ้าท่านบอกว่ า, าที่ท่านไปตัดในไปผัวพร้อมพระเจ้าว้เคราะครับก็ได้ไปอ่านได้ศึกษามาว่ า, าทุกสุขทัที่รวดมากเนี่ยเป็นมาอย่างไงท่านสอนมาอย่งงงางไรษาก็ได้สถิติเข้ามาดูไปนะถ้าแจ้งอริยศรรัตว์ก็จะแจ้งในธรรมะคนทุกข์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 เพราะฉะนั้นให้เรารู้กายรู้ใจไปเรื่อย ๆ, ๆวันใดที่รู้แจ้งว่ามันเป็นไตรลักษนณะ์จิตจะสลัดทิ้งไยไม่ไ<ป>ยึดถือเห็นไหมพอเราเรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะความอยากจะหายไปเองสมุทยัทยจะถูกละอัตโนมัติต<ป>ันทีที่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งสมุทยัทยจะถูกละอัตโนมัติคือความอยากที่จะให้กายให้ใจเป็นสุขความอยากจะให้กายให้ใจพ้นทุกข์จะไม่มีอีกแล้วเพราะว่าปัญญามันแจ้งนะกายนี้ใจนี้มีแต่ทุกข์ล้วน พอปัญญามันเห็นทุกข์แจ่มแจ้งองนี้ความอยากที่จะให้มันเป็นสุขความอยากให้มันพ้นทุกข์ไม่มีทันทีที่ความอยากดับนะ น, น, ดนั้นในขณะนั้นนิโรธหรือนิพพานจะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อ ต, อตาเราเลยคือภาวะแห่งความสิ้นตัญหานั่นเองในขณะนั้นแหละอริยามรรคจะเกิดขึ้นเห็นไหมทุกกิจของทุกสมุทัยนิโรธมั่งนะั้นทําเสร็จในขณะจิตเดียวนั้นแหละก็ ม, มีช่วงรู้สึกไหมมีความสุขแล้วเพลินแล้วให้คนอื่นบ้าง อ้าวข้างหลังข้างหลังน่นนุนนุนอยู่ทางนั้นอ้าวหรือ ท, ทางไหนอ้าวทางนี้ก็มีอ้าวที่ปกที่ผมทํานี่ผ่านมานี่ทําถูกเรือยงครับโอ้มาถามอย่างนี้ <c oughs> เกรงใจบ้ากสิ <c oughs> ถามอย่างนี้ต้องไปถามที่วัดนี่มาออกโทรทัศน์ด้วยปเปล่าก็ไม่รู้ <c oughs> ของคุณพอใช้ได้ละครับ <c oughs> ใจมันเริ่มตื่นขึ้นมานะ <c oughs> ของคุณปล่อยนะคุณปล่อยให้มันเคลื่อนไหวแล้วก็ตามรู้อย่าไปจ้องไว้ก่อน ของคุณติดน้อยกว่าเพื่อนแหลงสามคนโน่นติดหนักหน่อยเสื้อสีส้มๆคนนี <c ough> ้ก็คนกลางก็ออพอหลุดไปขอบคุณพ่อครับเขาคุณพาได้แล้วนะขอบคุณลงพครับ อ, อ, อไปทางโน้นทางโน้นฮะข้างหลังซ้ายมือรู้สึกไหมหลงหมดห้องเลยรู้สึกไหมหลงต่หน้าต่อตาหลวงพ่อเชียวนะ <conceptual> ขออนุญาตค่ะท่านเอามาอยู่นี่หลอกเลยเอาว่าไปค่ะก็ จากที่พระพุทธองค์ได้จัดเอาไว้นะคะสิ่งที่เล็กที่สุดในในโลกเนี่ยก็คืออัฐ ก, กัลปะซึ่งประกอบด้วยดินน้ำลมไฟแล้วก็ลักษณะทสีทีนี้เนี่ยในร่างกายเราก็ประกอบด้วยกายและจิตซึ่งในจิตก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็แสดงว่าในในทั้งหมดเนี่ยคือก็ยังลึกลงไปก็คือยังประกอบด้วยอักกากัลปะอยู่ใช่ไหมคะทีนี้อักกากัลปะเนี่ยมันถูกควบคุมด้วย วิชาโลภะโทสะโมหะแล้วคือคุณเฮ้ยอย่าเรียนอย่างนั้นเดียนอย่างนี้เมื่อไหร่จะจบคุณดูกิเลสของคุณสดสดร้อนร้อนลงไปเลยตรงเนี้ยคุณต้องรู้สึกตัวให้เป็นนะลูกศิษย์หลวงพ่อเ น, นี่ยจบอภิธรรมปริเฉดเก้านี่เยอะเลยนะแต่ว่ามันไม่เห็นสภาวะถ้าไม่เห็นสภาวะไม่สู้กิเลสไม่ได้เพราะะฉนั้นคุณต้องหัดรู้สภาวะให้ได้ไอ้นั่นเอาไว้เรียนเอาไว้ทดสอบตัวเองคือพอยายาม ร น, นั่นน่ะเลิกซะไอความพยายามมันนั้นมันทําให้ฟุ้งซ่านมากขึ้นให้คุณรู้สภาวะลงปัจจุบันไปได้ในในในกิเลสใดๆกําลังปรากฏในขนาดนี้นะรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆรู้เฉยๆนะไม่แทรกแซงขอบคุณค่ะรู้สึกไหมใจเราดิ้นครอกแคลคอกแคลกแคลอกแกคลแรคล ร, รู้สึกไห ม, ไมเห็นไหมยังดูไม่เป็นเลยไหมสติไม่เกิด น, นะ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 นี่คุณหัดดูสภาวะอย่างนี้นะความสงสัยผุดขึ้นมาก็รู้ว่าสงสัยนะความโลคความโกรธความหลงอะไรผุดขึ้นมาคุณรู้ไปแล้วสภาวะทั้งหมดนั้นสแสดงไตรลักษณ์ให้ดูเองเนี่ยงงอีกแล้วรู้สึกไหมรู้สิว่ากําลังงงงงก็รู้ว่างงนะไม่ใช่งงเราคิดหาคําตอบเอาคุณเป็นโรคคิดมากไป ห, หัดรู้ให้มากๆากนะจะ ไ, ได้ตื่นกิเลสเนี่ยไม่กลัวคนคิดมากจาไหมนะกิเลสกลัวคนที่ตื่นขึ้นมาหลุดออกจากโลกของความคิด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 มีโมหะให้รู้ฟุ้งซ่านให้รู้หดหู่ให้รู้นะคุณไม่ใช่มีราคะทำยังไงจะไม่มีมีโทสะทำยังไงจะหายโกรธเนะี่ยคิดจะทำมีคำ ว, ว่าทำนะไม่ใช่คำ ว, ว่ารู้เวอร์ันคือทำไม่ใช่รู้ไปปรับตัวนะปรับซะทำผิดนั่นแหละมันถึงทุกข์อ้าว น, นู้นคนสุดท้ายใส่แว่นตาหน้าเหมือนนกพูกนั่นะอ้าว่าไป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 จ้าคือที่ตึกที่ผ่านมานี่คือมีตื่นนี่คื อ, อยังอะไรนะตรงแนวทางมากหรือยังค่ะเจ้าคะ่ะตรงนะตรงมากขึ้นแต่ก่อนติดแพ่งอ่ะตอนนี้มันคลายออกแล้วรู้สึกไหมเห็นไหมจิตมันเริ่มเคลื่อนไหวแต่ยังตอนนี้ยังเพ่งอยู่น ะ, ะได้แค่นี้น ะ, ะเดี๋ยวั็มาสการเจ้าค่ะธุระต้องไปครัะยิ่งแก่งานยิ่งเยอะถึงช่วงนี้โดยปกติแล้วจะนิมนต์พระอาจารย์นําพวกเราทุกคน นั่งสมาธิครับขับนิมนต์พระอาจารย์ครับฮะเอาอีกเหรอสอนวิปันสนาจะเอาสมถะเอานั่งตัวตรงๆนั่งตรงๆนะนั่งสบายๆนั่งแบบผ่อนคลายอย่าเกรงลืมตาไว้พระพุทธเจ้าสอนบอกว่าพิสูจทั้งหลายให้เธอคู้บันลังตั้งกายตรงดำงตรงสติเฉพาะหน้าพูดแค่นี้ไม่มีบอกหลับตาด้วย